โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อ ว่าด้วยอลุพพีกถาภัลลนัยสาธารณธรรมคํา อโลตรัสสัมมาสัมโพธิญาณในระยะแรกๆเบื้องต้นคําว่ารูปภิกถาเป็น ไปโดยลําดับของธรรมะนั้น พอจักได้ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมผู้สน และบารมีธรรมแก่พวกเราท่าน เนมบวชแสวงหาคุณงามความดีเนกขัมมะเพื่อถึงเหตุ แก่ทางวัดอโสการามตลอดทั้งพุทธบริษัทบางส่วนมีความ พระดุจังได้เห็นเจดีดังและจะมีการพวกได้แก่ พระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติ ได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ แท่ที่จริงแล้วที่จริงยังปรากฏมีอยู่ส่วนที่เป็น ไม่ว่าโลกนั้นจะประกอบไป พวกเราจึงได้พรากกัน ไปโดยยกหรือประลบถึงของว่าเป็นการแสดงธรรมคํา วัดอโศการามแห่งนี้บางท่านก็ยังจะยังไม่ได้ทราบเลยก็อาจจะมีได้ๆน้อยๆไม่ ดังนั้นวันเพื่อเป็นการตอบสนองแต่ท่านพวกเราทั้งหลายที่มาก็ เมื่อได้ฟังเพิ่มเติมก็จะได้ ทั้งหมดนี้ก็เข้าไว้ในตนของตนแล้วแต่ เบนิดพิจารณาหรือว่าสอดส่องเพราะเป็นเรื่องของ ว่าสามารถภายในกายและจิตใจของเราลงไปได้จะหรืออาจจะดับได้ทั้งหมดเลยก็ได้นี่คือความดี ดังควรสนใจและลึกถึงอยู่เสมอความดีจึงเป็นสิ่ง ได้ทรงจัดไว้ทรงจัดไว้สุขะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอุจจโยแปลว่า มีความดีคือบุญความดีคือบุญไว้ในตัวมากเราก็จะมีความสุข เพราะความว่ามันไม่ดีอย่างไรมันเกิดให้ผลแก่ท่านพวกเราก็พอที่จะรู้รู้มากพอก็พอเจนวันนี้ มันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นวัน ในอยู่ในสถานที่นี้ที่เราห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งนั้นได้แก่ทานและกระถา <c oughs> ธานกถาที่พระองค์ทรงสรรค์และทรง การภาวนาถึงการให้ฐานะก็ทานหรือแปลว่าการให้ จะดำรงทรงอยู่เราก็ให้สิ่งนั้นแหละเสียสละสิ่งนั้นแหละแต่ว่าเป็นการให้ การให้กับตัวของเราเองเสียสละเพื่อ เราให้เพื่อเราให้เพื่อเราก็ให้เพื่อจะให้อยู่คลายไปจากความทุกข์บ้าง ให้ยุคไข้ยาเวลาถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให ไอ้สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา <c oughs> วางมันก็ดับไปความเดือดร้อนนั้นมันอุปโภคกันทุกวันบรรละๆมื้อแต่ เราเห็นเราถือกันว่าเป็นเรื่องของธรรมดาความทุกข์ความ เมื่อเราไม่เห็นว่ามันมาโดยตลอด comfortably buying the majority of people 生活 sniffed in their hands but cannot buy those off by giving us our lives and selling to our society would be a driving force of ours if you would be a spiritual chef than the other image for the body or if การให้นั้นไม่ได้ให้ประจําทุกครั้งที่สัตว์มนุษย์ทั้ง แม้ถึงข่าวครามจําเป็นที่จะต้องให้ <c oughs> <c oughs> เพื่อมันได้มาซึ่งปัจจัยมันได้มาซึ่งปัจจัยแต่ว่า ไม่ให้ก็ดีให้ก็ดีนี่คือพระสงฆ์นี่ก็ถึงท่านจะ เป็นประจําวันหนึ่งหลายๆมื้อเว้นแต่แต่ผู้ที่เป เพราะใจของท่านถึงธรรมแล้วแม้ได้ทางพระ จิตใจของท่านมันขาดโชชะ เหมือนกับการให้พี่น้องกับการนี่การให้เรากับ ในการที่จะเข้าไปต่อต้านความชั่วที่มี แล้วก็มันเป็นความดีให้นั้นถือว่ามันเป็นการบุญเป็นคนสร้างบุญเป็น เราให้ได้สมประสงค์สําเร็จสมประสงค์เราก็สบายใจเกิดความดีแม้แต่จะนานปีขึ้นตาม เมื่อเราระลึกได้มันก็จะทําให้จิตใจ มากสักเพียงใดนี่แหละการให้เป็นเครื่องต่อต้านชําระสิ่งที่ควร มันมีโทษมากไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทั้งหลาย ออกเสียจากใจของพวกเราเสียจากใจของพวกเรามันมี จะมีความสําคัญหรือเช่นอย่างว่าให้แก่พ่อกับแม่สําคัญอย่างไร สำหรับชีวิตของพวกเราทุกๆคน 30,000 แดนโลกธาตุก็ตามนั่นก็ใหญ่ เหลือมนุษย์สัตว์มีพระคุณเหลือร้นในโลกนะนี่หมาย 84,000 โยชน์กว้าง 84,000 โยชน์ นี่แหละความมัจจิยะคือความตรีนั้นน่ะ มันสามารถปิดกั้นมันสามารถปิดกั้นไอ้ตัว เวลาท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นโรคภัยไข้ 1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือเว ร่างกายที่จะไปเป็นรับใช้ที่จะไปเป็นรับใช้คอยรับใช้ พอที่จะได้รับความสะดวกบ้างที่จะได้รับความสะดวกบ้าง ทั้งทั้งที่ทรัพย์สมบัติรวมทั้งตัวของนั่น มันก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตนตามตัวไปได้ดั่งใจประสงค์หรือ คนตณีนั้นไม่ใช่เป็นคนไม่มีความต้องการนะมีความต้องการมากมายกว่าคนไม่ตณีเสียด้วยซ้ําไปไม่ว่าจะการกินการใช้การไป มันไม่ให้ใช้ไม่ให้บริโภคให้ใช้ไม่ให้บริโภคเราอยากจะบริโภคครับประธานสิ่งใด มันไม่ได้ช่วยดับความทุกข์เพราะมันยอมให้เราได้นําไปกิน บีบบังคับให้เรานั่นน่ะไปแสวงหาเออมาเพื่อมัน เพราะฉะนั้นมันจึงถูกปิดประตูการเสีย ถ้าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราอยู่ในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกับ สถานเกิดจากความสวยงามความลื่นเลิงบันเทิงกิจเกิดจากความสวย เป็นความสุขเป็นความสบายระดับ 1 เปนอกจากนี้แล้ว ออกจากตัวลงไปได้นั้นก้าวขึ้น เติกรามบ้านช่องมีในนั่นคือทางโลกก็มีเรือดี คำว่าทานกถาพรรณนาถึงเรื่องของการนี่เรียกว่าทานกถา พลนราถึงการประพฤติปฏิบัติกล่าวนี่ศีล การค้นคว้าหรือสร้างคุณ ผลจากตัวตนของเราแต่ละบุคคลแล้วนอกนั้นไม่ใช่เป็นตัวของ แต่มันเกิดขึ้นในตัวของเราทุก ของที่เนื่องด้วยกายทําให้เกิดเป็นกรรมขึ้น ให้เกิดนั้นเอ่อปากของเราที่มัน นี่เป็นรูปของปากคือกายถ้าเราเอาอะไรไปขุดไปขวน เลกวาจีกรรมคือเสียงที่เราพูดทั้งวันทั้งคืนนี่แหละ นี่มันก็เป็นบ่อเกิดเป็นพิเศษทั้งนั้นถ้าๆไปไปสัมผัสมันมันก็จะรู้ว่า ก็ว่ามีแค่นี้แหละแต่ถ้าว่ามันเป็นพิเศษน่ะตาของแสงเห็นสีได้ทั้งหมดเห็นมั้ยล่ะหูมันก็ฟังเสียงได้ทั้งหมดจมูกลิ้นมันก็สร้างรส มันสร้างให้เกิดความรู้กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วทุกๆอย่าง เพราะนั้นรูปเสียงกี่รถนั้นๆนั่นมันก็เป็นบ่อปฏิบัติ นะประการศีลหน้าศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 แล้วแต่ใครจะน้อมศีลอะไร 227 ของกรรมเนนก็ศีล 10 ของ เย็นนี้เป็นพื้นพื้นทั่วไปประจําเรียกว่ามนุษย์สมบัติก็ศีล เรามีตาดูหูฟังอย่างเป็นระเบียบอย่างระเบียบเป็นระเบียบมีวาจา ความเป็นผู้มีระเบียบนั้นเกิดความเรียบร้อยเป็นผู้มีระเบียบนั้นเกิดความหูเจริญตาแล้วก็เจริญ คนอยู่นอกระบอบอยู่ในระเบียบใช่ไหมมันเกิดความสวยงามมี นอกเบ้านอกแบบน่ะมันก็เป็นเศษทองเหลืองทองแดงมัน มันมันไล่ค่าของเศษของเหลือของเกินมันไร้ค่าพวก ไม่มีอะไรดีนอกจากจะเกิดสร้างความๆนี่แหละถ้าต่างคน แต่เพราะความไม่มีระเบียบแล้วน่ะมันหานอนอยู่มันก็ร้อนนั่นแหละเพราะความไม่มี ไม่มีระเบียบเป็นของตัวเองนี่มันก็เลยเกิดความรุ่มร้อนยืนเดินนั่ง ระเบียบสร้างขึ้นมีระเบียบขึ้นที่กายของเราบ้างที่วาจาของเราบ้างแล้วก็ที่จิตๆค่อน นะแต่จะพูดอย่างเขาพวกเราก็ นิยามการฟังธรรมไม่ใช่เพียงแต่แค่ชอบธรรมเหมือนกันนิยมความพร้อมๆกันเลยนี่ ความสวยงามอย่างนี้มันไม่ทํา คนเห็นคนชมชื่นมันก็ตกระลอกเนี่ยแต่ ทำไมมันจึงไม่เกียดมันอยู่ใกล้คนมีศีลมีทั้งๆที่มันไม่ชอบศีลชอบธรรมแต่มันมันไม่รังเกียจ ยืนอย่างมีระเบียบนั่งอย่างมีระเบียบกินดื่มทำพูดคิดอย่างมีระเบียบคือเป็นคนมีศีลนี่แหละศีลพูดสั้นๆสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาตา นี่แหละเพราะร่างกายวาจาจิตรวมทั้งตาหูจมูกกายัตนะนั่นแหละเป็นแหล่งที่เราจะ ความเป็นผู้มีความงามเรียบร้อยมีกายดื่มทําอะไรพวกนี้เขา ไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่นี่ถ้าขาดธรรมแล้วดู มันไม่ลื่นหูดูแล้วมันไม่เจริญตาระลึกถึง คนไม่มีธรรมะคืออภิสมาลาจารย์นี่ให้เราพิจารณา เมื่อแตกดับทำลายขันธ์แล้วก็ไปสู่เทวดาอัน กามทินวะพลนาถึงโทษของสวรรค์นะโทษคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่เจริญ จะมีความสุขเลอเลิศเพียงใดก็ตามมันยังไม่ เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมนุษย์สวรรค์มนุษย์จะมองไปไหนเพราะๆ สุดกินหอมๆอะไรอย่างนี้นี่แหละคือ ถึงแม้เราจะอยู่ในแดนของสวรรค์ก็ตามทุกข์นะทุกข์อันใหญ่โตโมหรานก็คือความแก่ความเจ็บความตายจะมีอะไรป่านเท่าเล่า แก่ความแก่เจ็บตายนั่นแหละเนี่ยท่านบอกว่ากามาจิ ไม่ยินดีไม่ติดยึดเนกขัมมะคถาภรณาถึงการออกบวชออกบวชนี่เนกขัมมะบวชนะ โปรดเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาดํารง เมื่อเราไม่ต้องการเราก็ปรุงวางรูปเสียงกิริยรถสัมผัสนั้นออกจากใจเสียเมื่อออกจากใจได้สิ่ง มันจะดับ,มันก็ดับ, จะดับมันก็ดับแล้วแม่มันดับๆ เมื่อเราปล่อยวางสิ่งนั้นแล้วเราใจ ตาหัวจมูกรินกายของเราไม่ไป มันก็ไม่พ้นไปจากความทุกอีกก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์อีกเนี่ยเพราะเหตุนี้ท่านเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรง แต่เราเป็นนักตกแต่งชอบสวยชอบงามแล้วเป็นไงล่ะสิ้นเป็นเป็นชั่วโมงหรือวันนึงหลายๆชั่วโมงเนี่ยพอเราวางความวุ่นวายยุ่งยากมันก็หมดไปเหลือแต่ เมื่อของเบาๆแล้วเราก็มาคุมจิตใจของเราให้มาอยู่ในคุณประพุทธประธรรมประสงค์เรียกว่าเจริญสมาธิกรรมฐานหาอุบายสงบจิตใจของเราไม่ให้หวนกลับไปสู่ เพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิภาวนาหรือสมถะวิปัสสนานั่นแหละก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ เราบวชกายเป็นภิกษุณีไม่ได้เราก็ยังไม่จน พระบรมสารีริกธาตุพระตุฏฏังก็จะดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่วัดอโศการามงานครั้งนี้ถือว่า จากนั้นมาก็มีงานแต่ก็เป็นงานธรรมดาธรรมดาแต่คราวนี้น่ะทั้งหลายวันแล้ว นี่จากนั้นก็จะบําเพ็ญองค์ที่สองน้อมถวายแก่บูรพาจารย์ได้แก่ 24, 24 25 26 27 ก็เป 28 เป็น แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มี 29 นอกจากนี้วันนี้ ผู้ที่เสียสละตัวเองเข้ามา 110 กว่ารูป 80 เม็ดรูปตลอดทั้งพวกเราชี ของการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลใคร เพียงขอยุติไว้